พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ปากุณณ์ทฐานวันใกล้นคร ก, กุณทิยาของพวกเจ้าโกลิยวงพระยาต์ฝ่ายพระมารดาพระนางสุปวาสาโกลิยธิดาสงคั์อยู่เจปีเจ็บคันอยู่เจ็วันได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสแต่ทรงอดกลั้นทุกขเวทนานั้นด้วยสัมาวิตกสามประการคือระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย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 ศรัทธาจึงไม่คลอนแคลนเขาอนุญาตให้พระาศาสดาและพระภิกษุสงฆ์ไปเสวยที่พระราชนิเวศของพระนางสุปวาสาก่อนด้วยความเคารพในพระมหาโมคคลานะด้วยปรารถนาความสุขและความเจริญด้วยบุญของพระนางสุปวาสานั้น ดูก่อนผู้แสวงธรรมเรื่องนี้บางคนอาจนึกตำหนิว่าพระาศาสดาทาไมจึงทรงรทมเช่นนั้นเล่าในเมื่อทรงรับนิมนต์ของอุบาสกไว้ก่อนแล้วที่ทรงรทมเช่นนั้นน่าจะเป็นด้วยเหตุสองประการคือประการหนึ่งทรงบำเพ็ญยาตถาจริยาคือประโยชน์ของพระญาติซึ่งเป็นหนึ่งในประโยชน์สที่ทรงบำเพ็ญอยู่เป็นประจำอีกประการหนึ่ง พระนางสุปวาสาผ่านอันตรายแห่งชีวิตมาใหม่หากได้ทำบุญตามใจปรารถนาย่อมจะทรงปิติสมนัตมากเป็นพิเศษพระนางสุปวาสาโกลิยทิดาทรงอังคาตคือเลี้ยงที่สุสงซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยคาทเนียโพชนียาหารอันประนีตด้วยพระหัตของพระนางเองสิ้นเวลาเจวันให้ทารกถวายบังคม